ครั้งที่แล้วได้เน้นกล่าวในคัมมะสังคปะเป็นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะแล้วก็อัพยาปาธาสังกปะกับอวิหิงสาสังคปะะในตัวอัพยาปาธาสังคปะก็คือเจริญเมตานั่นะ อวิหิงสาสังกปะก็คือการเจริญกรุณานั้นใครที่เจริญเมตตาอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหานั่นแหละก็คงเข้าใจคําว่าอัพยาปาธาสังกปะมากถ้าถ้ามีปกติเจริญเมตตาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่บุคคลที่มีปกติเจริญเมตตาก็โดยมากก็อยู่บน พยาบาทะสังกัปปะถ้าพยาบาทะสังกัปปะมันเกิดมากมันจะล่วงมาทางวาจานนะล่วงมาทางวาจาก็เป็นวาจาที่ที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่ น, น, นนะเป็นวาจาที่ช่างติช่างบน่นนั่นแหละเป็นผลพวงของพยาบาทะสังกัปะเป็นคนที่ เป็นผู้จัดการโล ก, กว่านั้นพวกผู้จัดการโลกเนี่ยนะโดยให้รู้ว่าโดยมากเนี่ยโทสะทั้งนั้นนั่นบนถนนเนี่ยชอบขับรถแทนคนอื่นทั้งนั้นนะเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์ก็ไปขับมอเตอร์ไซค์และเห็นรถข้างหน้าก็ขับรถข้างหน้าเห็นรถแซงก็จะไปขับรถแซงและ บ, บางเจ้านี่ถึงกระจอดรถต้องคุยกันหน่อยว่างั้น ดีว่าเป็นภาคเนี่ยนะถ้าเป็นภาคบางภาคเนี่ยอาจจะคุยกันด้วยปืนนั่นแหละแต่พื้นฐานว่าเป็นเป็นคนช่างเป็นผู้จัดการโลกเนี่ยนะฟังข่าวสารบ้านเมืองก็จะไปเป็นปรัฐมนตรีอีกแล้วจะมีอำนาจกว่านายกอีกเกี <c> ่ <oughs> ยวข้องกับถนนหนทางก็จะเป็นเทศบาลเกี่ยวข้องกับฝนฟ้าก็จะเป็นกรมอุตุนั่นแหลพวกนี้มัน พื้นฐานจากพยาบาทวิตตบนยะก็กลายเป็นคนช่างติช่างบนพวกกลุ่มช่างติช่างบนทั้งหลายและเนี่ยพวกนี้แหละเรียกว่าพยาปาทะสังค ป, ปะเป็นคนเห็นอะไรก็โกรธไปหมดเห็นอะไรมันน่ารำคาญไปหมดมันต้องฝึกเจริญเมตตาให้กับตัวเองคือคนที่ช่างตำหนิผู้อื่นเนี่ยนะว่าตรงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือคนที่ช่างติตัวเองเหมือนกัน นะเราสังเกตดูว่าคนที่ขาดเมตตาเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เคารพตนจะหาความเดือดร้อนให้ตนตลอดสังเกตดูนะหาเรื่องตีโพยตีพายเราเนี่มันโง่เรานี่มันเลวเรานี่มันใช้ไม่ได้เรานี่มันสู้คนอื่นเข้าไม่ได้นะก็คือนึกถึงแต่ปมด้อยของตัวเองนะบางทีก็ดีแล้วก็ยัง ก็ยังท้าช่องตําหนิตัวเองเจนได้โดยประการต่างๆพวกที่มุ่งตําหนิตัวเองโดยประการต่างๆบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้ไม่เคารพตนไม่ไม่เคารพตัวเองก็บางครั้งเนี่ยสนทนากับบางท่านเนี่ยรู้เลยเขาเขาเป็นคนช่างติดตัวเองอย่างมากเลยนะถ้าเขาตําหนิตัวเองเท่าไหร่บอกให้รู้ไว้เลยว่าคนนั้นคือคนช่างตําหนิผู้อื่นเนี่ยน ถ้าตำหนิตนหนึ่งอย่างก็ตำหนิผู้อื่นสองอย่างถ้าตำหนิตัวเองสิบก็ตำหนิผู้อื่นเป็นร้อยเพราะว่าถ้าตำหนิตนก็เท่ากับตำหนิผู้อื่นนันก็ต้องมาฝึกเจริญกุศลสังฆป่าเอาไว้เจริญเมตตาก็ในห้องเราในี้ใครเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ้างนะครณมุนชูเคยเจริญเมตตาให้ตัวเองไหมเจริญว่าอย่างไง ให้ข้าพเจ้ามีความสุขทีนี้มันก็มีบางกลุ่มก็บอกว่าตัวเองต้องมีความสุขก่อนสิโดยที่เรียกว่าจึงจึงอะไรตัวเองมีความสุขก่อนไปสแสวงให้ทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนใช่การเจริญเมตตาเนี่ยมันหมายถึงการตั้งความปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขนะ่นไ ไม่ใช่คิดหาความสุขของตัวเองว่าตัวเองนี่มีความสุขอยู่ตรงไหนบ้างแต่เป็นการตั้งตั้งอัธยาศัยให้ตัวเองนี่มีความสุขนะนีซึ่งวันนี้เราก็มาทบทวนเมตตาอีกครั้งหนึงนะทบทวนเกี่ยวกับพรหมิหารที่เคยเรียนเมื่อสมัยนั้นนะนะสมัยนาสมัยคุณมนมีไม่ได้มาเรียน มาในพรมมีหานจบหรือเปล่าไม่ทราบอคนคือตัวเมตตาเนี่ยนะเขาก็มีคำของเขาคือหนึ่งความสุขใช่ไหมสองไม่มีเวรอ น, นไม่เบียดเบียน บริหารตนให้เป็นสุขนี่นะอันนี้ก็เป็นถ้อยคำที่เกี่ยวกับการเจริญเมตานะอาหังสุขิโตโหมิอาหางอเวรโรโหมิอาหางอัปยาปโชโหมิอาหางอนิโคโหมิสุขีอัตนงปริหารามินี่นะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนี่นะขอข้าพเจ้าจะได้มีเวทเลย ไปผูกเวรกับใครไว้บ้างมังคุณวิลาวันจริงๆเนี่ยานนะอที่ทมีมาจะให้เาได้ดีเออ น, <ะ S 1> นั่นแหละนั่นแหละนี่พรอะลืมตัวเนี้ยขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขคนตัว่คิดถึงเลยเออนั่นแหละ เ, เะเพราะตัวเองไม่มีความสุข ก, ก็เลยคนอื่นเดือดร้อนหมดเลย <c oughs> มันก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขให้ข้าพเจ้าจะได้มีเวรเลอย่าได้เบียดเบียน ให้ข้าพเจ้าบริหารกายบริหารใจให้เป็นสุขเธอเนี่ยไงท่านก็เวลาไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยไงเคยคิดบ้างไ้มว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขทําไมข้าพเจ้าจึงเดือดร้อนเช่นนี้ทําไมข้าพเจ้าจึงโทสะอย่างนี้เนี่ยไงเคยเคยถามบ้างไหมทําไมข้าพเจ้าต้องมาหงุดหงิดเรื่องแค่นี้ผู้การเขาไปเห็นถนนเขาสร้างไม่เสร็จก็เดือดร้อนกับเขาอีกมันก็ไม่จะเป็น นักสร้างถนนไปอีกแล้วก็วคือทําไมต้องคิดให้ตัวเองเป็นอกุศลไปด้วยเลยนะเป็นเดือดร้อนกับทุกเรื่องไปหมดเลยนะบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกเพราะนัก็พยายามคิดให้ตัวเองมีความสุขนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขซึ่งไอ้คาว่าความสุขเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสุขกายกับสุขใจใช่ไหมสุขกายนี่ก็ก็รักษากายให้เป็นสุขก็แล้วกันแต่ทีนี้ก็จะกล่าวถึงในด้านสุขใจ ความสุขเนี่ยก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใชสุขมีอมิรกับไม่มีอมิตอนะสุขมีอมิรก็จะไม่กล่าวเพราะถือว่าหลายท่านก็ปรนเปรออยู่แล้วใช่ปรนเปรอให้สุขมีในอมิรสุขมีอมิรสุขด้วยการกินการเที่ยวการเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นต้นก็สุขในการดูหนังฟังเพลงอนะก็ปรนเปรออยู่แล้วแต่ว่า ให้ปรารบถึงสุขที่ไม่มีอมิตรเนี่ยะให้ข้าพเจ้ามีความสุขทีนี้สุขที่ไม่มีอมิตรเนี่ยสุขจากอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าความทุกข์ของคนในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยคนที่มีความทุกข์เนี่ยคือทุกข์เพราะไม่มีทรัพย์ใช่คนทุกข์จริงๆเลยเนะเอาเอาพูดถึงปัญหาทั่วๆไปเลยเนะทุกข์เพราะเดือดร้อนเรื่องทรัพย์ทั้งนั้นเลยในในฐานะผู้บริโภคกรรมนยทุกข์เพราะเรื่องทรัพย์ซะส่วนใหญ่เชื่อเห ทุกเพราะสแสวงหาบัางทุกเพราะรักษาบัางทุกเพราะใช้สอยบัางทุกเพราะใช้สอยกับบริโภคในอันเดียวกันเนี่ยมันก็มีทุกอยู่สามเนี่ยคนที่เป็นทุกจริงๆนะคนที่ที่เขาเดือดร้อนนะบุตรภริยาเป็นต้นก็นับว่าเป็นเป็นทรัพเหมือนกัน ใช่ไในกลุ่มทรัพย์ของของของของบุคคลน่ะนะบุตรภรรยาครอบครัวข้าวของเครื่องใช้อาชีพการงานทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นวัตถุกรรมเนี่ยนะอ่าก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของของบุคคลนั่นๆเหมือนกันพวกญาติพวกเป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นทรัพย์ก็ทุกข์เพราะแสวงหาบ้างทุกข์เพราะการรักษาบ้างทุกข์เพราะการใช้สอยบ้างก็วนๆอยู่แค่นี้แหละอันนี้คือความทุกข์ของคนในโลก ทีนี้ส่วนความทุกข์ในทางธรรมเนี่ยนะก็คือผู้ไม่มีทรัพย์เนี่ยนะไม่มีอริยทรัพย์ใช่ความทุกข์ก็คือสุขที่ไม่มีอมิตรนี่นะก็คือสุขที่จากมีอริยทรัพย์มีอริยทรัพย์เนี่ยก็เจ็ดประการนะมีศรัทธาสองศีลสามหิริสี โอต ป, ปะห้าสุตาเจ็ดหกจาคะเจ็ดเจ็ดเนี่ยปัญญาหมีก็มีหมดน ะ, ะ า, า, าอบได้แต่ว่าจริงๆแล้วอคนอื่นอมีกรู้จักชื่อนี่ไม่เหมือนกันนะ รู้จักชื่อว่าเออนี่เขาเรียกทองนี้เขาเรียกเงินนี้เขาเรียกรถนี้เขาเรียกบ้านกับมีเงินมีบ้านมีรถนี่ไม่เหมือนกัน <c oughs> นะ น, นี่ก็ลักษณะเดียวกันอาจจะจําชื่ออริยทรัพย์ได้หมดแต่อาจจะไม่มีอริยทรัพย์ก็ได้ <c oughs> ออารู้ว่าไม่รู้โอกรู้ไปเยอะแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าไม่รู้นี่ก็ฉลาดขึ้นอีกหน่อยนึงอืม <c oughs> สาธุขอหเห็นแก่ตัวเคยออปัญหาส่วนใหญ่นะักคนเนี่ยมันพราอมไม่เห็นแก่ตัวเนะี่ยมันยึงเดือดร้อนไปเห็นแก่อะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าถ้าเห็นแก่ตนนะคำว่าตนเนี่ยอะไรถ้ามันเดือดร้อนจะเรียกว่าตนได้ไมไม่ได้พันคำว่าผู้ที่รู้ว่ากรรมเป็นของตนเนี่ยนะกรร ม, มสกตาอะไรเป็นกรรมของตนกุศลเนี่ย เพราะฉะนั้นขอให้เห็นแก่กุศลของตนเธออันนี้ดีพระองค์ยังสอนให้เรามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเลยใช่ไหมขอให้เห็นแก่ตนจริงๆเถอะส่วนใหญ่คนนี่แปลกนะเชื่อไหมเป็นกลุ่มเบียดเบียนตนเป็นหลักนะชอบชอบสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองเนี่ยมากเลยนะนะนะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างนะ พวกสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองด้วยกายก็เห็นไงหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองประจำเลยนะเรื่องบางเรื่องก็ไปทำซะจนเดือดร้อนเลยอันนี้เรียกว่าหาสร้างความเดือดร้อนทางกายพวกสร้างความเดือดร้อนทางวาจานี่เป็นยังไงเคยพูดแล้วไม่สบายใจในตอนหลังไหมอ๋อประจำเลยใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองทางวาจา นั่นแหละท่านก็พูดพูดซะจนตัวเองเดือดร้อนอาการที่พูดตัวเองเดือดร้อนนี่แหละเรียกว่าเบียดเบียนตนทางวาจากับเบียดเบียนตนทางใจก็คือคิดซะจนตัวเองเดือดร้อนอ่ะนะคืออยู่ๆสบายๆดีไปหาเรื่องทุกข์มาคิดอีกแล้ะแล้วบางอย่างนะเรื่องก็ไม่ได้ว่าเราเป็นมีอำนาจจัดการแก้ปัญหาตรงนั้นอะไรหรอกเรื่องบางเรื่องเนี่ยพวกคนเจ้าของงานเขายังไม่คิดเลยเราคิดแทนคนอื่นเ้าหมดเลยเงี้ยนะ เป็นผู้จัดการโลกผู้จัดการสังคมผู้จัดการรัฐบาลไปหมดพันพวกรรนี้เบียดเบียนตนทางความคิดเบียดเบียนตนทางความคิดไอ้คนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาเาก็อยู่ของเขาตามสบายของเขานั่นแหละแต่ไอ้คนคิดนี่สิเดือดร้อนนนะอย่างบางคนเนี่ยปีปัญหาคิดเรื่องลูกลูกเขาก็ไปดูหนังฟังเพลงเขาก็มีความสุขเขาเนแต่พ่อแม่แทบตายแล้วเขาเในบ้านเนี่ยนี่เรียกว่าเบียดเบียนตัวเองทางความคิดนนะ ทำไมจะต้องเป็นศัตรูกับตัวเองปานนันเนี่ยนะทาไมไปหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนทําไมไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดอีกวิธีหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยชอบไปคิดถึงอสสัตว์บรุษอ่ะ น, นะชอบคิดถึงคนเลวเขาก็เลวอยู่แล้วทําไมคุณไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าถ้าจะหาบอกว่าโอ้เขาน่าจะดีอย่างงั้นดีอย่างนี้บอกโน่นไปหาจากพระพุทธเจ้านูน่นไปหาทําไมจากคนเลว ถ้าเขาดีเท่าพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าแต่ทําไมเราต้องไปยัดเยียดอริยะคุณให้คนเลวทั้งหลายไม่ได้หรอกแต่นะเพราะเขาก็เป็นแบบเขานั่นแหละนั้นเราก็ต้องถ้าเราอยากแบบนี้ก็ให้นึกถึงคนดีเข้าไว้ถ้าเราอยากจะหาความดีเนี่ยนะถ้าหาอยากหาว่าเออเนี่ยผู้มีปัญญาก็ต้องไปถามหาจากพระสารีบุตรเออกลุ่มเหล่านี้นะมีสุตะมากก็ไปถามหาจากพระอ น, นุ์ ท่านผู้นี้นะมีฤทธิ์มากจริงๆเลยก็ไปถามหาจากพระมหาโมคขลานะถ้าดีสมบูรณ์แบบไปถามหาจากพระพุทธเจ้าเออถ้าอย่างนั้นไปได้นี่ของเราทักชอบไปหาอะไรนะหาต้นไม้บนหินคือคือไปหาผิดที่ผิดตำแหน่งก็เลยเดือดร้อนเขาหน้าจะเป็นอย่างงี้เขาหน้าจะเป็นอย่างนั้นทําไมนะทําไมไม่เคยคิดเราหน่าจะเป็นอย่างนั้นเราน่าจะเป็นอย่างนี้อเออเราน่าจะดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยก็ต้องหมั่นคิดลักษณะนี้เอาไว้เยอะๆ อย่าไปเป็นผู้จัดการคนอื่นให้มากนักเลยเนี่ยนะอถ้าเป็นหน้าที่การงานก็ว่าไปเรื่องหนึง่งมันไม่ใช่จัดการตลอดเวลาดิดดชอบจัดการตลอดเวลาเนี่ยนะนี่เดือดร้อนมากหนึ่งนะผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยพยายามเลอกขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนี่ยนะขอให้ข้า เจ้าเนี่ยมีความสุขที่ไม่มีอมิตรใช่ไหมสุขที่ไม่มีอมิตรก็คือสุขที่เกิดจากมีอริยทรัพย์เนี่ยนะมีศรัทธามีศีลมีกิริมีโอตปะมีสุตตะมีจาระแล้วก็มีปัญญาซึ่งสามารถเจริญได้เลยนะขอให้ข้าพเจ้ามีศรัทธาในหนึ่งอ่านะขอให้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เออใครใ เ, เคยขอบางคำพูดตรงๆเลยนะขอให้ข้พาพเจ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอนะตั้งใจอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่พูดแบบพูนวิลาวันนะมีอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรู้นะถ้าคนมีอยู่แล้วนะคิดง่ายๆวะ่ะใช้คําว่าพูดโธรปั๊บติติเลยเออถ้าคนมีนะพูดคําว่าอารหางปั๊บเนี่ยยิ้ม สบายมีความสุขใจผ่องใสเลยอันนั่นเรียกว่าผู้ผู้มีศรัทธาเนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทวานุตโรเนี่ยนะพอฟังพุทธคุณปับ๊บเลื่อมใสใจสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหละเรียกว่ามีศรัทธาเ น, นี่ยนะเรียกว่าคนมีแล้วนะแล้วคนมีจริงๆคือพระโสดาบันนึกถึงเมื่อไหร่ท่านมีความสุขทุกครั้งที่ท่านนึกถึงพระัตนะตรยัย อันนะั้นถ้าคนพื้นฐานธรรมดาเนะ่ย อ, อย่างในยุคนี้ก็บอกว่าเขาเนี่ยเขาเขาคือผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเชื่อไหมฟังพุทธคุณไม่ได้อันนั้นน่นประกาศถึงว่าเขาศรัทธามไม่ดีนะนะมัก็พยายามสมาทานนะพยายามเจริญเมตตาให้กับตัวเองอย่างนี้ให้พระเจ้ามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี้ถ้าตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน เออขอให้เราเลื่อมสในพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ใจคนคิดศรัทธาค่ะอ๋ออยู่ในใจเลยเหรอในเจตสิกดวงไหนคือ เ, เราคิดรเราก็คิดถึงได้แต่พระเจ้าก็ไม่สองสามอันสองร้อยหาร้อย น, น, น, นั่นแหละนั่นแหล ะ, หละพันขอให้ข้าพเจ้าเลื่อมสในพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไล่เลยอรหัง เนี่ยอรหังทั้งหมดมีห้นายใช่ไหมโดยย่อหรือ11บนายเนี่ยนะให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในอรหันตะคุณอันเวลาเนี่ยทวารหเนี่ยเวลาเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้ให้ใจละลืกถึงพระารหันทั้ง11บนายใช่ <S <s อารมณ์ในทวารหมันก็มีอะไรว่าไปแล้วนะสุภาพนิมิตปฏิฆาณิมิตและอะไรอุเบขานิมิตสุภานิมิตอะไรเกิด ราคาเกิดปฏิคาณิมิตโธสะเกิดอุเบกขานิมิตโดยมากโมหะเพันธเราเวลาเห็นอารมณ์ปั๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มีราคาโธสะโมหะกับฝากับกงแพงกับต้นไม้ใบหญ้ารับอารมณ์คนดีคนเลวแค่ไหนก็ช่างพระพุทธเจ้าจะไม่มีราคะโธสะกับกับบุคคลทั้งหลายเลยกับอารมณ์ทั้งหลายเลยพันธถ้าหากว่าคนที่มี เจริญพุทธคุณเช่นเจริญบทว่าอารหังจริงเนี่ยนะรับอารมณ์ปั๊บรับอารมณ์อะไรก็ตามถ้ารับสุภาพนิมิตนึกถึงพระพุทธเจ้าบอกถึงสุภาพนิมิตงามเช่นนี้พระ อ, องค์ก็ไม่มีราคะเรื่องที่น่าตําหนิเช่นนี้เรื่องเลวร้ายขนาดนี้พระ อ, องค์ก็ไม่มีโทสะทุกอารมณ์นี้พระ อ, องค์ไม่มีความลุ่มหลงเลยมันขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเห็นอรหันตะคุณเนี่ยกับทุกๆุกอารมณ์เธอเนี่ยนะ ให้เห็นความเป็นทาระหันอยู่ทุกขนทุกแห่งไอ้ข้าพเจ้านี่เห็นสุนัขปั๊บก็นึกถึงพระพุทธเจ้าได้เลยเนี่ยนะนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้อะไรไม่มีกิเลสเลยของบางคนนี่เห็นหมาแล้วโกรธไหมบางคนเห็นแล้วชอบบางคนเห็นแล้วโกรธเลยอ่บางคนก็เมตาก็มีแต่น้อยนักยังไง พันธก็ให้เห็นอรหันเนี่ยนะสมมติว่าถ้าใครเข้าคำเข้าใจคําว่าอารหังแล้ว่พิจารณาอารมณ์คืออรหังในทุกขนทุกแห่งนะนะสรุปว่าปฏิฆานิมิตพระาหันไม่โกรธสุภานิมิตพระาหันไม่ชอบอุเบกขานิมิตพระาหันท่านมีสติสัมปชัญญะพันธในทุกอารมณ์นี้ให้เราเห็นยังไงหรือสัมมาสัมพุทโธนเนี้ย สัมมาสัมพุโทโธนี่เป็นยังไงตรัรสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและโดยพระองค์เองซึ่งอภินญ ย, ยะเนี่ยนะทำที่ควรรู้ยิ่งทำที่ควรกำหนดรู้ทำที่ควรละทำที่ควรทำให้แจ้งทำที่ควรเจริญคุณาวลาเห็นเสานี่สัมมาสัมพุโทโธยังไงเห็นเสาอืมก็เป็นสัมมาสัมพุโทโธไดสัมมาสัมพุโทโธยังไง คิดว่ายังไงเออนั่นแหละนั่นแหละเจ้าคิดหน้ามาตอบนะคนอื่นบ้างคนอื่นสัมมาสัมพุทโธยังไงเห็นเสาคุณสุจินอ่ะตอบสันหัวเลยแปลว่าอะไรสันหัว สั่นหัวแบบแขกนะคุณลาชูสังเกตนะถ้าเขาสั่นหัวนี่แสดงว่ารับครับใช่ๆๆใช่ถ้าสั่นหัวไทยนี่ยังแสดงว่าปฏิเสธนะอ้าวว่างไงเอ่าวไม่เป็นไรไม่หักเกรดอยู่แล้วอืมอืม ก็แนวนั้นน่ะนี่อันก็มีที่อะไรนีจกักโขควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจกักโควิญญาณควรรู้ยิ่งจกักโขสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขม ส, สุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากจากักโขสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยควรรู้ยิ่งอันเวลาเรามองเห็นสาวปั๊บเนี่ยทมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งพ้องรู้ยิ่งแล้วเนี่ยนะ แล้วรู้ยิ่งแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้ยิ่งเฉพาะของพระองค์ของสรรพสัตว์ตลอดโลกธาตุเป็นอเนกที่เห็นเนี่ยนะพระองค์รู้ยิ่งหมดเลยแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยพระองค์ทายาตะปริญญาตีรณะปริญญาอย่างดีแล้วแล้วพระองค์ก็ทําปหาณะปริญญาอย่างดีที่สุดแห่งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วในท่าภาเวตประธรมภาวนาเนี่ยนะ คุณธรรมใดบ้างที่บกพร่องในพระพุทธเจ้าเมื่อรับอารมณ์ทั้งหลายไม่มีม น, นะบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมทุกอย่างมั้นก็ถ้าเจริญอย่างนี้นะจะเห็นพระพุทธคุณทุกขนทุกแห่งแล้วก็ทุกอารมณ์ด้วยอันเห็นต้นกล้วยก็เห็นพระพุทธเจ้าด้วยอ อ, อ, อืห่วงแต่เงินนั่นแหละรเอามามาวะตรงนี้ดีกว่า หือ <S an> วางกันน่แหละ้ามีเงินเป็นอารมณ์เอามีเงินเป็นอารมณ์แล้วสัมมาสามัมพุโทโธยังไงมีเงินใช้มันจะอะไรนะนะเงินได้เสียพอบอกว่าได้ราคะถ้าเสียโทสะดีไม่จุติตอนคำว่ามีเงินเป็นอารมณ์ ถ้าจุติตอนนู้นไปไหนเนาะเกิดเป็นมอดกินแบง์หรือเปล่าไม่ท ร, ราบะพะันก็อารหังให้ดีๆเนี่ยนะแก้วแหวนเงินทองเรื่องสวนไรน่นาพระพุทธเจ้าทำปริญญาหมดแล้วพระองค์ตัดชันนราคาพรากชันนราคาในวัตถุเหล่านั้นหมดแล้วใช่ไหมใช้เงินเปลี่ยนเายกมันนี่อออันนี้ไม่เกี่ย ว, ว <c oughs> คนละวิชากัน สมัยก่อนก็ขอมาแรกกันเรียกบาเบอร์ซิอืมสมัยนี้ใช้เงินเรียกมันนี่ซิฟท์เอาไว้ไปคุยกันเองก็แล้วกันผมมาไม่รู้ด้วยหรอก <ber> อันนะั้นก็โดยเฉพาะพุทธคุณที่น่าคิดคือวิชากับจารณะอันนะวิชาก็วิชา8ใช่ไหมวิชา8ในทุกอารมณ์เนี่ยนะแต่ละอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ของวิชาแล้วแต่ว่า วิชาไหนด้วยอย่างเช่นในในสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์เจริญวิปัสสนาเรียบร้อยแล้วทุกอารมณ์เนี่ยพระองค์เจริญวิปัสสนานะพระองค์เนี่ยแสดงฤทธิ์ได้ในทุกแห่งอิทธิวิธีพระองค์รู้วาระจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะแล้วถ้าอย่างเห็นสถานที่ปั๊บเนี่ยพระองค์ระลึกเลยว่าไอสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะเมือ่อหลายพันล้านปีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง แล้วพระองค์ก็จะยิ้มเป็นต้นเนี่ยนะนี่คือความที่พระองค์มีวิชานนะแล้วหมู่สัตว์ที่ไปเกี่ยวข้องกับที่เหล่านั้นเนี่ยเขาคิดอะไรพระองค์รู้หมดเลยนะอันนี้เป็นวิชาของพระองค์แต่ที่สำคัญที่อยากพูดก็คือจรณะที่ใดที่พระองค์ล่วงศีลไม่มีที่ใดที่พระองค์ไม่มีอินทรีสังวรไม่มีที่ใดที่พระองค์ไม่ปัจเจกไม่มี ไม่มีที่ใดที่พระองค์ไม่มีชาคริยานุโยคเนี่ยนะไปเบลเบลซึมๆอยู่แถวนั้นไม่มีนะที่ใดที่พระองค์ไม่มีศรัทธาหีริโอตปะเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะศรัทธาเจ็เนี่ยที่พระพุทธเจ้าไม่มีไม่ ม, มีมีคุณธรรมทุกอย่างทุกขนทุกแห่งหมดเลยอันนี้คือจารณะของพระพุทธเจ้าและทุกที่พระองค์เข้าชานไม่หมดเห็นไหมก็ใครที่จเจริญพุทธคุณอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหามันขอให้ข้าพเจ้ามีศรัทธาในา พระพุทธเจ้าในทุกขนทุกแห่งในทุกอารมณ์เนี่ยนะไม่ใช่ตอนสวดมนต์อย่างเดียวไม่ใช่สวดมนต์ก็ปากก็ว่าไปใจก็คิดไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่นะก็ให้มีศรัทธาให้มีความผ่องใสยพยายามคิดอย่างเงี้นะท่านขอให้ข้าพเจ้าเจริญพุทธานนุสติได้เนี่ยนะเจริญพุทธคุณให้เห็นอรหันตคุณหเห็น คนคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นคนคือความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นต้นน่ยนะก็เอามาเจริญได้นะข้าพเจ้าพึงคือการเจริญเมตตาแบบนี้นี่นะเป็นเท่ากับเป็นการเจริญอัตตะสัมมาปณิทิในตัวเนี่ยนะเป็นการเจริญอัตตะสัมมาปณิทิในตัวด้วย เพราะว่าไม่งั้นนะเราก็ไม่สมาทานเคยได้ยินไหมสุปปะพุทธกุฏิโรคเรือเนี่ยเขาสมาทานศรัทธาเป็นต้นอันนี้เป็นการสมาทานด้วยเป็นการเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองด้วยสําหรับผู้ที่แห้งแล้งทั้งหลายเฉาลงทุกวันทุกวันศึกษาธรรมะยิ่งเฉาอะไรก็รู้หมดแต่มันแห้งแล้งเฮ้ยทาไมมันเป็นอย่างนั้นมีไหมคุณชูสีปกตินะ ชุ่ม <ś m _> ด้วยสภาพจิตจริงๆเลยนะบางทีนะของมาตังเกตเลยคนรู้ธรรมะทาไมมันแห้งแรงขนาดนั้นก็ไม่รู้บัวแรงน้ากันน่าดูเลยนะทำไมมันรู้มันนานแล้วมันเลยเือนนอะไรแต่ครั้งในชีวิตนะรู้ภูประติปีติมันเกิดพ <c oughs> อแล้วเขเขามาไม่เอาคุณเป็นประมาณหรอก คุณปกติโน้นต้องไปยืนข้างหลังคุณอะไรน่ะนะคุณเฉลิมโน่น่ะแต่ดีว่าที่ให้มายืนข้างหน้าเพราะช่วยยืนให้หน่อยนั่นเอง